พวกเราก็ได้สวดบทพิเศษนะธรรมปาหังก็ที่จริงคล้ายๆเหมือนสอนพระมากกว่าสอนโยมนะมก็แต่ก็ที่จริงก็ไม่ว่าจะพระจะโยมถ้าเราเน้นการสอนตัวเองนะเน้นการเพื่อการพ้นทุกข์ก็ เ, เอาไปใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละนะ แต่พอสวดมาก็แวบนะระลึกถึงเรื่องราวที่เคยเคยปรึกษากับหลวงพ่อนะพอสวดวันนี้เพราะว่าอย่างตอนท้ายที่บอกเมื่อบุคคลนะมองเห็นประโยชน์ตนก็ตามหรือบุคคลมองเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ตามบุคคลมองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ตามนะก็ยังประโยชน์ทั้งสองทั้งทั้ง สามอย่างนั่นแหละนะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนาะคือก่อนหลวงพ่อเสียสักสองสามปีมั้งมาเคยเคยไปปรึกษาท่านนะนะว่ามันมีมันมีไป ม, ม, ม, ม, มาก็คล้ายๆอบรมแบบนี้แหละใน ห, หลายที่นะก็มีบางทีท่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันดู ดูไม่ค่อยชอบมาพากลก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งประมาณนะั้นก็พยายามว่าจะออกจะถอยออกมาประมาณนะั้นก็ไปปรึกษาท่านนะแต่ก็แบบไม่ได้พูดถึงรายละเอียดตั้งนั้นมากแต่ก็ประมาณว่าเอาเหตุตัวนี้แล้วก็เพื่อเหมือนจะได้ว่าก็งานอื่นก็จะได้ลดลงหรืออาจจะไม่รับเลยนะเพื่อเราอยากจะไปเด้งความเพียรของเรา ก็คิดว่าเออก็สอนคนอื่นมาเยอะแล้วก็เออสักปีหนึ่งได้พักนะได้ได้ปฏิบัติธรรมให้กับตัวเองเต็มที่อลไก็คิดอย่างนั้นนะก็ไปปรึกษาท่านแต่พอเล่าไปเล่าไปหลวงพ่อท่านก็ฟังได้ดีนะแต่หลวงพ่อท่านก็พูดตอบกลับมาเนี่ยอ๋อเราไปต่อไม่เป็นเลยนะ <c oughs> ท่านบอกว่า ให้สอนคนอื่นไปด้วยสอนตัวเองไปด้วยมันคือมันก็มันก็มันก็ต้องยอมรับคาตอบของหลงพ่อนะหลวงพ่อเราก็พูดไปขนาด น, นั้นนะดลวพ่อก็ตอบมานิดเดียวนะแต่มันคุมไปหมดความต้องการของเราที่อยากจะสอนตัวเองอยากจะฝึกตัวเองท่านก็ท่านก็เข้าใจนะ แต่ท่านก็บอกว่าให้อาศัยการสอนคนอื่นนั่นแหละส่วนหนึ่งเป็นการสอนตัวเองนะอันนี้ก็ก็เหมือนคล้ายๆก็ต้องจำยอมที่จะต้องทำนะแต่ก็เห็นประโยชน์อยอะเมื่อเราได้การขนาดที่สอนคนอื่นก็ก็คือการที่เราได้ย้อนกลับมาดูตัวเราเองแน้ะ หรือการอธิบายหรือตอบคาถามคนอื่นก็เหมือนเป็นการที่เราได้เหมือนได้ทวนในสิ่งที่เราปฏิบัติทวนในสิ่งที่เราเข้าใจนะนี้ก็คือถ้าไม่ได้พูดออกไปบางทีเรื่องศัพท์เรื่อ ง, องตัวอย่างต่างๆ่นะมันก็จะไมไ่คิดออกหรอกนะบางอย่างมันก็ไม่ได้มไม่ได้อยากจะคิดที่ต้องอธิบายอะไรมากแต่เมื่อมีคนถามมีคนสงสัยอะไรนะก็ หือตอนเทศนะมันก็มันก็ออกมาของมันเองนะคือไม่ได้คิดว่าจะเทศอะไรนะก็จับไม้แล้วก็มันก็พาไปเองมันก็ง่ายดีนะมไม่ต้องไม่ได้เตรียมว่าเจ็ดวันนี้จะเทศอะไรบ้างนะหัวข้อเป็นแบบไหนนะก็อเอาสิ่งที่ดูโยมนั่นแหละสิ่งที่ได้คุยกับโยมมาแหละมาพูดกันนะเพราะ การปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่เป็นการที่เราต้องเรียนให้รู้มากมายเนาะแต่เรียนให้เรารู้จักตัวเราเองเป็นการสอนตัวเองนะคือหน้าที่หลักจริงๆคืออย่างอนุมาก็หน้าที่หลักก็คือสอนตัวเองการสอนผู้อื่นก็คือสอนตัวเองนะแต่โยมเองก็ต้องสอนตัวเองเหมือนกันแต่คําว่าสอนตัวเองเนี่ยในทางปฏิบัติธรำเนี่ย ไม่ใช่การสอนแบบการที่บอกบอกสอนแบบคล้ายๆครูสอนนักเรียนแม่สอนลูกอะไรนะหรือว่าคนที่วางดีสอนอีกคนนึงมันไม่ใช่การสอนด้วยคําพูดนะเพราะจิตเนี่ยบางทีเราสอนตัวเองในการแบบสอนให้ให้จิตเขาเชื่อให้จิตเขายอมรับหรือบอก หรือเราบอกตัวเองว่าไอ้มันปล่อยว่างเถ อ, อะเลยนะมันไม่ได้นะ <c oughs> คือการสอนตัวเองจริงๆไม่ใช่การพูดให้ตัวเองเชื่อกล่อมให้มันโน้มน้าวไปในทางนั้นมันคดจิตจริงๆเนะี่ยมันมันดื้อ ม, มากอ่าจิตจริงๆมันไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะแม้เราฟังทำมาขนาดไหนแม้เราพยายามสอนตัวเองให้ปล่อยว่างให้อย่าไปทุกข์เรื่องแค่นี้เอง ยึดทำไมอะไรนะแต่แค่นี้เองเนี่ยพูดง่ายนะแต่จิตมันไม่รู้มันไม่มันไม่ไม่แค่นี้เองอะจิตมันยังยึดอยู่นะจิตก็ทุกอยู่ะฉะนั้นบางทีการสอนตัวเราเองหรือไม่แต่การสอนคนอื่นคำพูดก็เป็นเพียงแค่แค่ตัวชี้ทางนิดหน่อยนะแต่จิตมันจะไม่เชื่อจนกว่าจิตเขาจะเห็นของเขาเอง โดยกาจิตเขาจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์แบบไหนอ่ะมันถึงจะวางของมันเองอเห็นเห็นความเป็นทุกข์ของมันเห็นว่าไม่ใช่คนอื่นทําเราทุกข์หรอกเราเองแหละทำตัวเองทุกข์เขาอาจจะด่าเราก็จริงนะเขาอาจจะทําไม่ถูกก็จริงนะแต่เพราะเราไปยึดอะไร เขาด่าเรานะมันมีเราเขาทำไม่ถูกอ่าเขาไม่ดีก็ถูกแล้วที่เราต้องโกรธคนไม่ดีนี่นแต่ว่าก็ถูกแล้วนี่ก็เราถูกเขาผิดเลยนะใช่ไหมมันก็เป็นเหตุผลที่ที่เราเข้าไปยึดเอาอันเนี้ยไม่ใช่ใครทำให้เราทุกข์นะอืมเราเองแ่แหละมีตัวตนเองเราเองมีมานะทิฏฐิเอง แล้วเราเองก็ไปยึดมันเองมันก็ได้ทุกเองพอมาเห็นพวกเนี้ยมันค่อยๆวางนะจิตนะมันมันเห็นพวกเนี้ยเหตุข้างนอกมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเหตุข้างนอกก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ความทุกเนี่ยมันเป็นเหตุข้างในใจของเราเนี่ยแหละที่ที่เรารู้ทันมันหรือเปล่านะเข้าใจมันหรือเปล่าเห็นมันหรือเปล่าให้ตอนเนี้ยเป็นตัวสําคัญมากนะ ก็นี่แหละลาปฏิบัติธรรมเราก็จะได้เห็นเป็นการสอนจิตให้มันเห็ น, นเห็นความจริงของของการกระทำของเราเองนี่แหละนะอย่างเวลาปฏิบัติธรรมเนะี่ยบางทีอาจารย์มาก็พูดบอกไปก็ไม่ได้วังผลแบบพระโยมจะต้องทำได้ทั้งหมดน ะ, นะแต่บางทีก็ต้องเตือนต้องบอกไว้อย่างที่บอกว่า ปฏิบัติอะอย่าคืออย่าไปโฟกัสเกินไปอย่าไปตั้งใจเกินไปนะหรืออย่าทําด้วยความอยากนะก็คือแบบบอกไว้ให้ให้ได้ยินได้ฟังไว้แต่พอปฏิบัติ บ, ตบางคนอนะมันก็จะเอาจริงๆนะอืมย่างตมาเองก็เคยแบบแบบนั้นนะพอจะเก็บอารมณ์นะโอ้มันมันเหมือนตั้งใจว่าจะต้องต้อง ต้องเอาให้ได้นะตั้งใจจะต้องรู้ให้ได้ตั้งใจต้องวรรลุธรรมแล้วนะมันเก็บอารมณ์มันก็เลยแบบเก็บอารมณ์แบบเอานะตั้งใจที่จะเอามันไม่เห็นตัวเองว่าเดินนะ่ะเดินจงกรมชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยเดินเดินเอาทั้งนั้นเลย <c oughs> นะเอาสตินะเพราะหวังว่าเอาสติแล้วมันจะเกิดปัญญานะก็เลยทําด้วยความอยากนะอยากรู้ ก็ขยันนะแต่ขยันแบบอยาก อ, ะอ่ะมันไม่ใช่ขยันทําเฉยเฉยนะแต่ขยันแบบทําแล้วก็เมื่อมันมีความอยากมันก็เกิดความกงนนะังวลเนาะเกิดความกงักงวลกังวลอะไรให้เราทําถูกหรือเปล่าเราทำผิดหรือเปล่าอะไรแบบนะัะบางทีสังเกต ด, ดูดีนะบางทีที่เรากลัวกลัวผิดนะ่ะกลัวเสียเวลา กลัวอเนิ่นช้าเลยพอนนีะ้ส่วนหนึ่งคือเราอาจจะอาจจะอยากอยากได้ก็ได้นะหรืออย่างอย่างน้อยก็คืออยากหรือไม่อยากช้าบางทีมันก็อยากเหมือนกันนะมันก็ดูเหมือนดีนะจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่เนิ่นช้าแต่มันก็คือความอยากจะให้มันไม่ช้าอือยากจะไปทางลัดโดยเฉพาะ ใต้หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าทางรัดสั้นสู่ความพ้นทุกข์นะรัดมากเลยนะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะรัดได้ตรงขนาดนั้นหรอกนะแต่คําว่ารัดของหลวงพ่อเทียนคือว่าท่านพยายามตัดสิ่งที่มันเป็นสมมุติออกให้เราอย่างแต่ก่อนนะเวลาเขาสอนยกมือนะแต่ก่อนก่อนหลวงพ่อเทียนท่านจะจะเข้าใจธรรมะนะ เขาก็สอนแล้วก็มีคำบริกรรมด้วยนะถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดนะแต่ตลองพ่อเทียนเทียนที่ชายแดนไทยอีสานนะะไทยราวติงนิ่งติงนิ่งนะแต่ท่านรู้สึกว่าบริกรมรมมาหลายครั้งแล้วบ่อยแล้วไม่บริกรรมได้ไหมรู้เฉย เนี่ยท่านตัดตัวนี้ให้เราให้รู้เฉยๆรู้เฉยๆไม่ต้องบริกรรมมันก็จะได้ละสมมติออกไปได้แล้วก็สิ่งที่ท่านเน้นคือเน้นตัวสติไม่ได้เน้นตัวสมาธิก่อนนะเพราะว่าบางทีทําสมาธิก่อนก็เป็นหนทางหนึ่งเหมือนกันนะทำสมาธิก่อนแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาแต่ การที่จิตจะมีสมาธิจนจนตั้งมั่นจนสงบมากบางทีก็ต้องอาศัยการเหมือนตั้งใจทําจริงๆค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องอาศัยสถานที่อาศัยบรรยากาศพอสมควรคนที่ทําสมาธิจนจิตตั้งมั่นจริงๆนะเป็นคารวาสเนี่ยอืมค่อนข้างทํายากขนาดเป็นพระเองอยังยากเลยนะ พระเองเลยต้องบางทีก็เลยต้องมีสายแบบวัดป่านะแทบไม่ออกจากวัดเลยนะอยู่แต่กุฏิอยู่แต่ป่านะนั่งสมาธินานๆเข้าป่าเข้าถ้ำอะไรเนะี้ยหรือข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆก็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะได้แบบไม่พุ้นวายนะไม่ต้องคิดอะไรมากแบบนั้นเอื้อในการทสมาธิให้จิตสงบแล้วค่อยมาจะเดิน จะเดินปัญญานะต่อเนื่องแต่สิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านเน้นย้ําคือเนะี่ยคือไม่ได้มุ่งไปสู่สมาธิก่อนนะแล้วก็พยายามให้เราออกจากสมาธิให้ได้ออกจากสมาธิคือไม่ใช่แปลว่าไม่ให้เรามีสมาธินะแต่หมายถึงว่าอย่าไปติดถ้ามันมีผลของสมาธิอะไรนะ่ะอย่าไปติดมันนะคืออะไรเช่นมันมีปิติก็อย่าไปติดปิดติ มันมีนิมิตอะไรต่างๆก็อย่าไปติดนิมิตนะมันจะสุขจะสงบนะอย่าเข้าไปแค่กับความสุขความสงบไอ้พวกเนี้ยมันเป็นความเนิ่นช้านะมันถ้าเปรียบเหมือนคล้ายๆเราเดินทางอะโยมในระหว่างทางบางทีก็อาจจะมี ศูนย์การค้านะมีสวนสาธารณะมีอะไรที่ให้เราไปช้อปปิง้งไปพักผ่อนให้เราแวะนะแวะถ่ายรูปแวะกินแวะชิมแวะเที่ยวนะคนก็เลยไปติดที่แวะนะั่นหละไปไม่ถึงไหนนะบางทีก็แวะแล้วก็จะมีทางแยกต่อไปเที่ยวที่อื่นต่อ <c oughs> นิมิตนะมันเป็นแบบนั้นนะนิมิต บางทีถ้าใครทําสมาธิก่อนจะเข้าใจแล้วมันเกิด น, นิมิตแล้วคนก็หลงนิมิตได้ง่ายนิมิตมันก็ดูเป็นของที่แปลกเป็นของที่พิสดาร น, นะเป็นของที่ชวนเล่นนะ <c oughs> หน่าเล่นนะมันสนุกมันสบายมาันมันดูเก่งนะเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบสมาธิสักหน่อยเนะี่ยมันจะมีของเล่นเยอะแล้วคนเราไม่ค่อยระวัง จะติดของเล่ น, นติดแล้วก็ออกยากาถึงท่านหลองพระเทียนท่านเน้นย้ำเนี่ยบางทีอาจจะพูดเหมือนแรงนะบางทีท่านพูดเหมือนไม่ให้เราทำสมาธิเลยหรือบางทีอาจจะเหมือ น, อาจ จ, อ, นอาจจะเหมือนคล้ายๆจะเรียกว่าอะไรไม่แนะนาเลยให้ทำอะไรนะแต่จริงตัวหลักจริงๆคือท่านต้องการที่จะบอกไว้เพื่อไม่ให้ไปติดสมาธิเนาะ เพราะว่าไปติดสมาธิมันออกยากนั้นสิ่งที่เราทำเราเน้นตัวสติสติเนี่ยมันจะผ่านนะมันผ่านด่านไปเรื่อยเลยถ้าเปรียบเหมือนกับเรานั่งรถประจำทางอะที่แบบวิ่งตรงเลยไม่จอดรับข้างทางไม่จอดปั๊มน้ำมันเนี่ยวิ่งยาวออเดเดียวนะถึงปลายทางเลยเอา่า แบบนั้นแหละนะคือมันเหมือนสติเนี่ยเพื่อให้ผ่านนะผ่านอารมณ์ตั้งแต่เนี่นแหละตั้งแต่อารมณ์นิวรณธรรมเนาะที่วันนี้หลายๆคนเจอนะนี่นิวรณธรรมนะความม่วงนอนความสงสัยนะโดยเฉพาะคนใหม่สงสัยทาแบบนี้มันจะบรรลุธรรมได้จริงหรือเปล่าทำแบบนี้จะ มีปัญญาได้จริงหรือเปล่าทําแบบนี้จะเอาไปใช้ต่ออย่างไรเนี่ยสงสัยฟุ้งซ่านนะเรื่องนั้นเรื่องนี้นรนหรือคิดในทางที่สุขบ้างคิดในทางที่เป็นทุกข์บ้างนิวรณธรรมเนี่ยแหละเป็นตัวขวางกั้นจิตนะเป็นตัวที่ทําให้เราติดหรือทําให้เราถอยนะอย่างความง่วงเนี่ยถ้าเปรียบเงินพวกเขานะ โอ้ขึ้นไม่ไหวแล้วพอแล้วไม่ปฏิบัติดีกว่าเนี่ยนะนะทาให้เราถอยนะถอยดีกว่านะหรือความสุขความทุกจากการคิดเนี่ยก็ทำให้เราติดนะเดินจงกรมไปคิดได้สาระหรือบางทีคิดมีสาระแต่ก็ติดในความคิดตัวเองเนี่ยนี่วรธรรมมันนะแต่ถ้าเรามีสตินะผ่านมันก่อน การผ่านในที่นี้ใช้วิธีอย่างนี้ก่อนประมาณว่าไม่สนใจมันแต่ไม่ใช่ไปว่าไม่ไม่ใช่ไปว่าไม่ผักใส่เขานะไม่สนใจคล้ายๆเหมือนเวลาเราทำอะไรละแล้วมีคนมาตะ ก, กิจมีคนมาชวนมีคนอะไรนะเราก็แค่ดูเฉยๆอยูน่นะิดนึงเนาะเหมือนมีเพื่อนมาเอาถ้าเปรียบเทีบง่ายๆนะเหมือนเรา เหมือนบ้านเราหรือเราไปบ้านคนอื่นก็ได้เนาะมีหมามีแม ว, แ, มวแบบนี้นะเนาะเวลาทำงานอะไรอะ่ะบางทีหมาแมวมาคอเคลียมาแย่มาอะไรเราเนะี่ยถ้าเราสนุกไปกับเขาคืออะไรเราก็ไปเล่นเขาไปอุ้มเขาหรือบางทีเราก็รำคาญเขานะไปสินะยังโยนแมวทิ้งนะเดี๋ยวมันก็มาใหม่ใช่ไหมมันก็มาคอเคลียคนเรื่อยๆแต่ถ้าเราก็เฉยๆมันจะมา ก็มาไม่ว่าอะไรมันเฉยๆมันไปอารมณ์พวกนี้นะมันเหมือนพอเราเฉยๆมันถึงว่าไม่สนใจทําเป็นไม่สนใจมันอ่ะมันจะเบื่อไปเองนะเหมือนเพื่อนมาแหย่เรามาแกล้งเราอย่างนี้ยเนาะเราเฉยๆนะเดี๋ยวมันก็เบื่อไปเองแต่ยิ่งมาแกล้งเรายิ่งเรายิ่งขึ้นตอนเนี้ยยิ่งมาแกล้งเรายิ่งโกรธตอนเนี้ยมันจะยิ่งมาแหย่บ่อยแตะ นั้นความคิดหรืออารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยทําเป็นไม่สนใจมันนะเออไม่เป็นนะมันจะเกิดก็จะเกิดเรื่องของมันนะเราก็แค่รู้เฉยๆนะไม่สนใจไม่ใช่ปฏิเสธนะแล้วก็ไม่ใช่ไหลไปตามมันแต่เพียงแค่รู้ว่ามันเกิดอ่าไม่สนใจอ่ะจะอะไรก็แล้วแต่นะ่ะหน้าที่หลักของอาจารนี้ยก็เหมือนอ่าเราอาศัย กรรมฐานนะคือฐานของการกระทํมเนี่ยแหละกรรมฐานนะเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะนะเป็นฐานให้เราได้สร้างสตินะสร้างสติให้มันให้จิตมันมันระลึกได้กับฐานกายคือจิตมันเป็นความคล้ายๆเหมือนเป็นความจำนะเราระลึกอยู่กับ แล้วลึกๆที่ร่างกายบ่อยๆเพื่อให้จิตเขาจำได้เมื่อจิตมันจำได้ต่อไปเขาจะ ล, ะลึกได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยความตั้งใจมากนะหรือต่อไปไม่ได้ตั้งใจเลยสติก็ระลึกได้ของเขาเองเป็นอัตโนมัตินะแรกๆเหมือนตั้งใจสักหน่อยแต่ต่อไปมันจะไม่ได้ตั้งใจก็รู้เนี่ยคือเราฝึกไว้เนี่ยให้จิตมันจำ เมื่อกายเคลื่อนไหวไปปุ๊บเนี่ยจิตจะ ร, รู้ได้ของเขาเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราฝึกเนี่ยเราไม่ต้องห้ามความคิดตอนไหนมันเผลอไปคิดรู้เมื่อไหร่ก็กลับมาเมื่อนั้นนั่นแหละตอนที่รู้อืเผลอไปอ่ะไม่เป็นไรจิตมันกลับมาไดนะ้จิตที่มันเคยกลับมาจากการปฏิบัตนะิเนี่ยเผลอไปคิดแล้วรู้ หลงไปแล้วรู้นะจิตเผลอไปแล้วรู้นะจิตเผลอไปแล้วรู้นะอันนี้ก็มีสติเมื่อในชีวิตประจาวันเราเกิดสภาวะจิตมันเผลอไปนะจะเผลอไปไหนก็แล้วแต่จิตจะเกิดสติเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะเกิดเผลอไปคิดเรื่องอื่นเผลอไปโกรธนะมันก็รู้มันก็กลับมาคือสิ่งที่เราฝึกจริงๆนะเป็นการเหมือน เหมือนถ้าคุณครูหรือพ่อแม่นะ่ะเหมือนฝึกเด็กคือเราไม่ได้ทําให้เขาแต่เราฝึกให้เขาทําเป็นใช่ไหมเหมือนเราเราสอนลูกหรือเราสอนนักเรียนอนะถ้าพ่อแม่หรือครูทําให้ลูกทําให้นักเรียนตลอดเนะี่ยเขาโตขึ้นเขาก็ทําไม่เป็นแต่การฝึกจิตนะ่ยเหมือนฝึกให้เขาทําเป็นนะไม่ใช่เราทํานะ ฝึกให้เขาได้เข้าใจฝึกให้เขาได้จดจําฝึกให้เขาได้เกิดการกระทําที่เป็นของเขาเองนั่นการสอนจิตจริงๆคือสอนให้เขาได้รู้จักอหลงเป็นแบบนี้นะรู้เป็นแบบนี้หลงเป็นแบบนี้รู้แบบ น, น, บบนี้จิตเขาจะจําได้นะจิตเขาจะจําสภาวะที่รู้ได้จิตเขาจะจําสภาวะที่หลงได้จิตเขาจะไปเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เมื่อจิตมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเข้าไปยึดความเป็นทุกข์แล้วมันรู้สึกเลยว่ามันเป็นทุกข์มันจะวางคล้ายๆเหมือนเราเผลอไปจับไฟอะไรนะมันไม่ใช่คิดว่าจะวางนะใช่ไหมมันคนเราถ้าปกติอะนะพอมือถูกไฟปุ๊บมันมันจะถอนทันทีใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะมันร้อนนี่ว่ะ ควรจะควรจะเอามือออกอะไรนะอ่มันไม่ใช่นะแต่มันพอสู่ความของร้อนปุ๊บมันมันปล่อยทันทีเด้อต่อไปจิตมันฉลาดมากขึ้นมันจะเผอมันยังไม่ทันจะหยิบความของร้อนแต่มันรู้สึกว่าว่ามันเริ่มร้อนมันก็จะชักออกมาได้คือนี่คือความฉลาดของจิตนะจิตที่มันฉลาดคือการสอนเนี่ยสอนจิตนะ การปฏิบัติธรรมคือการสอนจิตให้ให้เข้าใจว่าอะไรคือทุกข์ให้รู้ว่าเหตุของความทุกข์มันเกิดได้อย่างไรนะไม่ใช่การคิดสอนนั่นนะแต่ให้มันเห็นบ่อยๆนี่แหละนะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นเห็นความทุกข์เนาะอย่างที่พูดวันนี้ว่าปฏิบัติธรรมอะ่ะมันไม่อย่าไปคิดว่ามันจะสุขสบายนะอืแต่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อหาทาง ทนทุกข์นะหรือเพื่อจะได้รู้วิธีการที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างไรให้ให้มันทุกน้อยที่สุดนะดังนั้นเวลาปฏิบัติมันก็เลยเหมือนต้องมาเผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วเป็นความทุกข์ที่คนส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้ก็จะเลือกไม่ไม่อยากเผชิญนั่นแหละนะความเบื่อความสงสัยความง่วงนอนเนี่ยไปทําอย่างอื่นดีกว่า แต่เราได้มาศึกษาเรียนรู้แบบนี้ไปก่อนเราจะเข้าใจพอเราเริ่มค่อยๆเข้าใจตอนนี้แหละต่อไปมันก็เอาไปประยุกต์ใช้กับกับชีวิตของมันเองนะอคือแต่ละคนอาจจะมีมีงานมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่เหตุของความทุกข์มันเกิดที่ใจเหมือนกันนะข้างนอกอาจจะแตกต่างกันก็จริงนะแต่ข้างในใจเนี่ยแหละนะ่ะ ที่มันมีความพอใจความไม่พอใจนะ่ความยึดนะความหลงอย่างไรนี่นแหละมันเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นนั้นเราก็ดูๆนะค่อยๆฝึกไปนะช่วงนี้ก็ต้องมายอมทุกข์หน่อยทุกวันนี้นะดีกว่าทุกวันหน้านะทุกวันเนี้ยเราเหมือนเราได้มาซ้อมนะ่ะ เราได้มาซ้อมมันเป็นทุกข์เหมือนขย้อนของเก่าออกมาที่มากกว่าคือเวลาความคิดตกเก่ามันผุดขึ้นมาเนะี่ยมันขย้อนออกมาให้เราได้เห็นบางอย่างคิดว่าทําใจได้บางอย่างคิดว่าวางแล้วแต่พอเป็นขย้อนมาอีกครั้งก็น้ําตาไหลหรือว่าเสียใจอยู่เนะี่ยก็ก็ดีนะที่เราได้เห็นว่าอ้อมันยังติดใจมันยังเป็นทุกข์กับมันอยู่นะ่ะ หรือบางอย่างที่เราไม่อยากคิดนะแต่มันก็โผล่เข้ามาให้คิดคิดแล้วก็วันว้คิดแล้วก็กังวลใจก็ทำให้เราได้ซ้อมดูมันนะไม่เป็นไรนะก็อย่างที่ว่านะใช้วิธีว่ารู้มันเฉยเฉนะไม่สนใจมันหม่ถึงว่าไม่สนใจถึงทำเป็นแบบก็จะเกิดก็เกิดได้ยินแล้วเข้าใจแล้วว่าเธอพูดอย่างนั้นถ้าเธอคิดอย่างนั้น แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่มันแต่หน้าที่เราก็อยู่กับการการกระทําของเราไปเรื่อยๆเนาะไม่ห้ามความคิดไม่ตามความคิดนะหรือหลงไปอยู่กับความคิดเมือ่อไหรก็กลับมาใหม่นะตั้งต้นใหม่ไม่เป็นไรตั้งต้นใหม่ไม่เป็นไรฝึกแบบนี้แหละเราจะมีสติมากขึ้นสติจะเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะแล้วพอเราเห็นพวกนี้ยบ่อยๆเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเลย มันจะมันก็จะมันก็จะดับของมันแล้วก็เกิดตัวใหม่ขึ้นมาล่อมันดับไปอีกเกิดตัวใหม่ขึ้นมาล่อก็แค่นั้นเองนะเราจะเห็นโอ้ความทุกข์จริงๆคือทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกข์คือการเกิดดับของรูปของนามเนี่ยมันเกิดดับนะทุกข์จริงๆเลยคือเนี่ยตัวรูปตัวนามนี่แหละคือตัวทุกข์ มันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับนะมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดดับนะของรูปของน้ำเท่านั้นเองนะเราไปยึดรูปแล้วก็ยึดน้ำนั่นแหละมันเป็นเหตุของความทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าเนี่ยว่าโดยย่อเนาะอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คือว่าย่อๆก็คือเมื่อไหรที่เราไปยึดในขันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ย มันเป็นเหตุของความทุกข์นะแต่ที่เราฝึกเนะี่ยให้มีสติเป็นผู้เห็นนะการเห็นไม่ใช่การยึดเนะี่ยพอมีสติเห็นนะ่ะมันจะออกมาเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูได้มันมีความทุกข์นะแต่เมื่อเราไม่เข้าไปยึดอะ่ะมันก็ไม่ทุกข์นะเหมือนอาจามาบางทีเคยยกตัวอย่างเหมันนะ่ะมันกระเป๋ามันก็ กระเป๋าเล็กๆนี่หนักเนี่ยนะใส่ของเยอะอ่าคือถ้าไปถือนะมันก็ทุกนะแต่ถ้าวางไว้เราก็แค่ดูมันเฉยๆนะมัน ก, มนก็มันก็ไม่เราก็ไม่หนักก็ไม่ทุกอุปทานในขันนะี่ในรูปในน้เนี่ยแหละที่เราไปยึดไปถือไว้เนะี่ยมันคือตัวทุกการที่เรามีสติเห็นมันเนี่ยแหละก็คือ เห็นการทํางานของขันห้ามันก็ยังมีอยู่นะตาบใดที่ยังไม่ตายขันห้าก็ยังมนะีแต่การมีสติปัญญาคือการที่ทําให้เราไม่หลงไปยึดขันห้าเป็นตัวเราเป็นของเรานะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆตอนนี้มันก็เหมือนไปยึดพอรู้ก็วางไปยึดพอรู้แล้วมันก็วางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะต่อไปมันไม่ทันจะมันแค่ไปแตะปุ๊บ มันก็ปล่อยไม่ทันจะไปยึดนานจิตมันก็จะฉลาดมีปัญญามากขึ้นตอนนี้แหละนะปัญญาในทางทำไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องอธิบายทุกอย่างได้หรือไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องแบบรู้พระใจปิดกแต่ฉานอะไรเลยนะแค่รู้ว่ามันคล้ายๆใจแบบไหนมันเป็นทําใจแบบไหนหรือเหตุแบบไหนทําให้มันเป็นทุกข์ก็แหะ แล้วเราก็วางได้นะนะี่คือหนทางแล้วก็เป็นผลของการปฏิบัติแล้วนะนั้นพวกเราเองอะ่ะแม้ไม่ได้บวชนะก็ถ้าเราปฏิบัติตามตามทางตรงเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นเหตุให้เรามีความทุกข์น้อยลงได้นะพ้นจากทุกข์ได้นะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากที่เรามามาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาฝึก ที่สำคัญคือได้มาฝึกนะไม่ใช่แค่รู้เฉยๆนะขนาดที่ฝึกนั่นแหละนะสำคัญนะผิดบ้างถูกบ้างนะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะฝึกบ่อยๆซ้อปบ่อยๆ น, นะวันหนึ่งแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจของมันเองนะแต่ก็อย่างที่ว่าดักสำคัญคือคืออย่างที่ว่าคือแบบไม่ทำด้วยความอยาก หรือเมื่ออยามเมื่อใ่ก็ให้รู้ตัวมันจะได้ปล่อยไม่ทำด้วยความคาดหวังให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันนะเมื่อเราคาดหวังมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเลย น, นี่คือหลักที่สำคัญเนาะนก็ฝากไว้